พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคนแก่มีอยู่บ้างมาคนกับคนหนุ่มคนแก่ไม่ทราบไปไหนหมดยังเหลือแต่คนหนุ่มคนวัยกลางคนคนแก่ไม่ทราบไปไหนอะหน่าสังเวชคอนดี้คิดถึงชีวิตของตัวเอง ว่ามันเป็นไม้ใกล้ฝังแล้วเราจะต้องหาที่พึ่งทางจิตใจมันไม่คิดกันเลยนะไม่คิดคล้ายๆกับว่าจะอยู่ยั่งยืนนานจะได้อาศัยร่างกายในไปนมนานกาลความเข้าใจความรู้สึกอันนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่แล้ว เอไม่อยู่ไม่ไม่กี่ปีกี่เดือนต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องหนีจากกันแล้วเพราะฉะนั้นรากันรีบสรีรเปล่สร้างที่พึงใส่ใจของทนเสียงให้เต็มที่วันนี้อาจารย์พิดก็มีความประสงค์ให้หลวงปู่เล่าที่ว่าประวัติ ให้พุทธบริษาัททางหลายฟังว่าความเป็นมาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะได้เข้ามาบวชบวชมาแล้วะยะแรกทำยังไงระยะต่อไปทำยังไง อันนี้ก้อหน้าผาเป็นเรื่องที่ควรฟังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคติธรรมสำหรับเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนก็อาศัยบุญวัดสนานนั่นแหะไปมาโดนบันดาลให้เกิดความคิดคมนึกขึ้น ในทางที่ดีนะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนบวชใกล้จะได้มาบวชนี่แหละตามธรรมดาเนะี่ยไม่ได้เป็นคนเกลีครั้งเลยเพราะเป็นชาวนาชาวสวนถึงหน้าทำนาก็าทำนาถึงหน้าทำสวนก็ทำสวน ด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็โรคใครก็ไม่ค่อยเบียดเบียนด้วยพ่อแม่ก็ได้รับความสุขสบายด้วยพ่ อ, อแม่ไม่ได้ทำงานหนักกระไรลูกๆทำแทนวันนี้เมื่ออายุสิบเก้าปีเข้ามาแล้วนี่เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาในใจ ว่าการทำการทำ ง, งานต่างๆโมรีรวมแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยหาความสุขไม่ได้ทั้งเป็นทุกข์ด้วยและทั้งไม่มีสาระแกนสารด้วยเช่นทานาได้ข้าวไปใส่ยุ่งใส่ช้างไว้บริโภคบ้างขายบ้างพอถึงปีใหม่มาเอา ก็จนจะหมดอยู่แล้วเข้าอันนี้ก็ตรงเลเริ่มลงมือทํานากันไปอีกไถนาพลาดนาไปเดินตามหลังควายไปก็คิดดำรีอย่างนี้แหละคิดไปคิดมาเกิดมองไม่เห็นสาระแกนสารอะไรถ้าคืนอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เก่าๆอ้าวถ้าอย่างนั้นจะไปยังไงถามตัวเองอะ ก็บวชสิบว่าบวชแล้วมันจะพ้นจากเรื่องเหล่านี้หรือพ้นพอเป็นนักบวชนี่มันย่อมเป็นภูวางมือจากการงานต่างๆอนี้ทั้งหมดถึงเป็นนักบวชได้พ อ, อคิดแย่นี้มันก็เกิดศรัทธาอยากบวดขึ้นมามนั่งบนหลังควายไปนี่นะ เท่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้แล้วปรากฏว่าร่างกายนี่มันแตกกระจายออกไปหมดสว่างโล่ไปทั่วเลยวันนี้มองไปไหนก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีแม้แต่ต้นไม้มีตั้งแต่อากาศว่างเปล่าไปหมดเลยเออโล่อันนี้มันไม่มีแกนสานอะไรนะมันว่างไปหมด เกิดแล้วก็ตายไปก็เห็นไม่มีอะไรเป็นแกนสันมันก็เป็นเกิดแสงสว่างอยู่อย่างนั้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปได้ปีติในใจอย่างรุนแรงวันนี้โทษเมื่อเกิดแสงสว่างขึ้นในใจอย่างนั้นแล้วใจก็เบ้ากอดโพง ทั้งที่ไม่เคยได้ไปฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เคยนั่งภาวนาสักทีเลยแต่แล้วนั่ ง, งบนหลังควายกลับบ้านไปไถนาตอนเย็นนะ่ะนั่งพิจรารณาไปเรื่องเกิดร่างปรากฏร่างกายแตกกระจายออกไปเลย คือแสงสว่างทั่วโลกอันนี้มองไปไหนไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นบุคคลเลยอันนี้กายก็เบาใจก็เบาเหมือนกันก็ไม่มีกายอันี้ตอนนี้เนะี่ยโอ้มันศรัทธาอยากบวชหลายแล้ววันนี้นะโอ้เราต้องบวชแน่แน่เหัือนกันก็ไม่ทราบาจะมาทํางานเอาทําทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนี้ทําไมอ่ะ ทำมปแล้วก็เป็นทุกข์แล้วในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะอย่างนี้จะทําไปทําไมลนะ่ะก่พอคิดได้อย่างนี้นละ้ก็อุตส่าห์ทสวนทํานาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไปอยู่ปีหนึ่งอายุยี่สิบเต็มบริบูรณ์ก็จึงได้ล่ําลา มารดาบิดาออกบวชได้บวชอยู่วัดบ้านที่แรกเมื่อบวชแล้วโอ้เกิดปีติอบ อ, อิ่มใจว่าตนได้พ้นจากความทุกข์ความลำบากต่างๆเหล่านั้นมาแล้วนี่แหละเกิดปีติขึ้นในใจวันนี้ก็มีอาจารย์องค์หนึ่งไป เรียนกรรมฐานมาอยู่วัดนั่นแหละคนบ้านเดียวกันนั่นแหละบวชใหม่ใหม่เน่ไม่มีใครสอนเนี่ยเรื่องนก็ตอนข้ามาเห็นอาจารย์ตรงนั้นไหว้พระแล้วก็สวดอะไรมุมมุม ม, ม, ม, มุมุมอยู่ก็เลยถามท่านเอ๊ะท่านสวดอะไรอะ่ะท่านบอกว่าท่านภาวนาของกัน าภาวนานี่มันดียังไงปรั้นเอา้าวภาวนาก็ได้บุญสิอ่างนั้นอ่าได้บุญอแล้วแล้วเราก็อุทิศสองสศลนั่นให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปตอบบุญแทนคุณข้าข้าวพร้อนนมที่ท่านเลี้ยงดูเราม า, อ, าอธิบายให้ฟังเอา้าถ้าอย่างนั้นผม ก็เป็นหนี้บุญนี้คุณพ่อแม่เหมือนกันนะขอให้สอนให้ด้วยภาวนาสอนให้ผมด้วยผมจะได้ภาวนาใช้หนี่บุญคุณพ่อแม่แบั้นท่านก็นเลยสอนให้ท่องเอาอนุสติสิบประการนี่แหละพุทธานุสติธรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติ ชาคานุสติเฮวตานุสติมรณานุสติกายคตาสติอาณาปานสติอุปสัมมานสติอนุสติสิบประการนี้ให้ท่องเอาให้ได้วังนั้นแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปว่างั้นท่านบอกก็ไปท่องเอาได้แล้วก็บริกรรมเรื่อยไปแหละ พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติไปเรื่อยจบแล้วตั้งใหม่อีกจบแล้วตั้งใหม่เอ๊รู้สึกว่าจิตใจสบายบาเนี่อไม่เฉพาะในนั่งภาวนาบาเนี้แม้เดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่ลืมเนึกภาวนาอยู่นั้นมาเนี่พอถึงระดูเดือนหกเดือนเจ็ดมาก็าคิดว่า เราบวชมาใหม่ยังไม่รู้ทำรู้วินยัยก็คงจะไปศึกษาเราเรียนซะก่อนหนอเมื่อเรียนได้แล้วจึงค่อยออกปฏิบัติกั น, นมันถึงจะได้บุญได้กุศลหลายถ้าบวชมาแล้วไม่เรียนทำเรียนวินยัยไม่รู้อะไรอย่างนี้ลูกกับลูกงูๆูปลาปลาไปอย่างนี้มันคงไม่ได้บุญหลายหรอกปวชหนอ ก็เลยชวนกันลงไปจำมรรฑายในจังหวัดไปจำมรรฑายอยู่วัดของเจ้าคณะจังหวัดเองสององค์ด้วยกันกับอาจารย์องค์นั้นอ่<ม>ะอก็ไปเรียนนักธรรมเสร็จแล้วเดือนทันวานะสอบนักธรรมเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอยู่วัดเดิมะ ในระหว่างที่เรียนนักธรรมอยู่นั้นก็มีข้อปฏิบัติอยู่วันนี้ไปเรียนถามอาจารย์ที่อยู่ในวัดนั้นว่าผมภาวนาอนุสติสิบอย่างนี้จะถูกไหมท่านอาจารย์องค์นั้นบอกว่าอันถูกนั้นก็ถูกโดดอกแต่ว่า มันหากไม่รักกุมพ อ, อไปบริกรรมมากอย่างนั้นจิตใจไม่สงบว่บางั้นถ้าอย่างนั้นทำยังไงภาวนาจึงจะดีจึงจะใจใจสงบได้ท่านก็แน่นาว่าให้บริกรรมพุทโธเอาพระคุณของพระพุทธเจ้านี้ไปตั้งในใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วใจก็สงบได้พรางั้นอืมถ้าอย่างนั้น เราก็ไม่อยากอะไรละวะตอนหัวค่ำกดท้องแล้วสุดนักรรมไปจนเที่ยงคืนนาฬิกาตีสิบสองโมงแล้วก็เข้าห้องไหว้พระและ้วคนนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธจิตใจไม่อยู่แล้วทีแรกพุทโธก็วิ่งออกไปข้างนอก แต่สติก็ตามไปาตามไปแล้วก็พยายามนึกพุโทโธใกล้ตัวเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยเข้ามาพอมาถึงตัวแล้วก็น้อมเข้าไปในจิตให้พุโทโธก็อยู่ในจิตโน่นวันนี้พอให้พุโทโธอยู่ในจิตเข้าไปแล้วจิตก็สงบลงเป็นหนึ่ง ก็ได้ความสบายใจเสร็จแล้วก็จึงค่อยหลับค่อยนอนนี่เป็นกิจวัตรเลยที่ทํากระบวตรพรรษาแรกต้องทําความเบียนอย่างนี้ทุกคืนทําวัดสว ด, ดมนต์เสร็จแล้วก็ไปนั่งท่องหนังสืออยู่ที่ลานวัดจนเที่ยงเมื่อไรเที่ยงคืนเมื่อไรจึงค่อยหยุดท่องบน แล้วก็เข้าห้องค่อยพระนั่งภาวนาเสร็จแล้วจึงค่อยจำมัดอพอตีสี่เนี่เสียงระฆังดังขึ้นที่กุฏิเจ้าอาวาสก็ตื่นลุกขึ้นมาล้างหน้าตั้งจาแล้วก็ขึ้นไปกุฏิเจ้าอาวาสอา้าวทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็สว่างพอดีอว่างมาแล้วก็ไปบิณฑบาต จะเดินจะเดินจะนั่งนอนอะไรไม่ลืมพุโทโธเอาพุโทโธเป็นอารมณ์อยู่นั้นมันนี้การเรียนก็รู้สึกว่าคล่องตัวรีเมื่อใจเป็นสมาธิใจตั้งมัน่นการท่องการจำม่าวิชาความรู้ในก็รู้สึกว่าได้ดีสอ้สอบก็ได้นักธรรมสันตรีกับไปพอออกพรรษาแล้วสอบนักธรรมเสร็จแล้วกลลาเจ้าคณะจังหวัดกลับวัด เดิมพอไปอยู่วัดเดิมนะวันนี้ก็โยมบิดาไปได้นังสือหลวงปู่สิงห์วัดป่าารณีนี่แหละท่านแต่งขึ้นเรียกว่าวิธีเจริญสมถาวิปัสนาโดยสังเขปว่างนะั้นในหัวข้อท่านก็เลยอธิบายเรื่องสติปัฏฐานนี้ให้ไว้ในสมุดนั้น จเจริญสติปัฏฐานจเจริญอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นเริ่มแต่พิจารณาร่างกายนี่นะ่ะไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นไปแล้วเพ่งให้เห็นอาการสามที่สองนี้ด้วยไม่ใช่นึกคิดเฉยๆอย่างนั้นแล้วก็เพ่งในวันนี้เพ่งผมก็ให้เห็นผมอยู่ภายในนู่นขนเล็บฟันหนัง ท่านเลยก็ให้เห็นอวัยวะโนยใหญ่ต่างๆนี่ท่านแนะไว้ไงก็พยายามเพ่งตามที่ท่านแนะไว้ก็เห็นแบบนี้พอเห็นร่างกายนั้นแล้วก็จิตใจมันก็สงบเน่วแน่ได้แต่อยู่วัดบ้านนะ่ะเสียงะอะไรท้ออะไรรบกวนเอ๊ะภาวนาแล้วใจสงบลงวันนี้เราก็นึกถึงป่าเลยวันนี้ การภาวนานี่มันเหมาะสมที่ไปอยู่ป่านะไม่เหมาะสมเลยที่จะอยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านอย่างนี้หรื mm. เมื่อภาวนาไปแล้วมันได้ความรู้ความสงบใจขึ้นมาอย่างนี้แนละ้วก็เลยร่ำลา่าติโยมไปอยู่ป่าใกล้กับบริเวณสร้างวัดอยู่ที่นี่นะในในขณะที่ยังไม่ทันออกปฏิบัตินั้น พอบังเ อ, อิญแมลงมีมแมลงบินเข้าต า, มาแมลงปีกแข็งๆมันไปแทงเอาตานั้นเลือดออกเจ็บตานัก้ายังไงก็ไม่หายยาหยอดตาสารพัดก็ไม่หายไม่หายวันนี้มันมีศรัทธาแรงกล้าที่ออกปฏิบัติเอาละตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่หยอดตาเลยโยนไอยาทิ้ง อ, อกไปหมดแล้ว เข้าป่าไปเลยวันนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในป่านั่นนะเอาหายตานบอดอยู่กับป่านี่ละเป็นยังไงก็เป็นกันรละงั้นตอนนั่งภาวนาไปมาในีเจ็ดวันเท่านะั้นตาหายไปเลยอืหายไปแล้วเมื่อเวลาหยดยาอยู่ที่วัดบ้านยังไงก็ไม่หายตนน้นเลยภาวนาปองสังขารลงไปแล้ววนะ่หาย ภายในเจ็ดวันเรื่องเป็นปกติ ต, ตามเดิมอันนีนะ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสะใจอันหนึ่งอันนี้สงแห่งการเสียสละถ้าหาว่าเราหากไม่ยอมเสียสละว่าเอาไปบอดอยู่ในป่านาะนะวังั้นมันก็มาไม่ได้เมันก็เข้าไปป่าไม่ได้มันก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้แหละแต่อันนี้เราเสียสละเอามันยา าตา่างนี้ใส่หมดแล้วมันไม่หายมันจะกรรมเวรของตัวเองก็มันแล้วกันไปบวชอยู่ในป่านน้นว่งั้นนะในที่สุดแทนที่มันจะบวชก็หายซ้ำอันนี้เหลย mm hmm. เมื่อตาหายแล้วมัตั้งใจประกอบกรรมเวรภาวนาไอ้พระองค์ที่ไปด้วยกันนะ่ท่านเรียนคาถาอาคมอะไรไปตั้งแต่วัดบ้านนี้ เมื่อท่านเป็นนั่งภาวนาอยู่ในปา่าไม่มีกุฏิกุฏ า, างทำร่านไม่ไถเนี่นะอยู่กันขอบค้นดินสอบขวดนี้เองนั่งภาวนาไปมานะ่ะเกิดความกลัวขึ้นมาฮะท่านเล่าให้ฟังก็เลยสาทยายเวทมนตรคาถานั้นท่านใดนั่นว่าเกิดนิมิตขึ้นปรากฏว่ามีรูปของกษัตริย์ แต่งตัวเต็มยศมีสดาด้วยถือดาบเดินเข้ามาหามาถามว่ามาทำอะไรอยู่นี่บอกกันท่านก็บอกว่ามาเจริญเมตตาภาวนามองกันอืมมันจะเมตตาภาวนาไงแบบเนี้ยท่านเจริญคาถาอาคมนั้นนั้นเพื่อปราบผีสางที่อยู่ในบริเวณเหล่านี้เจตนาของท่านเป็นอย่างนั้นนี่ ท่านจะมาเมตตาภาวนาอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าชื่อว่าท่านทําเดินทางผิดแล้วไอ้คาถาที่ท่านเจริญอยู่นั้นข้าพระเจ้ารู้หมดแล้วไม่จําเป็นต้องจ ะ, จะเจริญหรอกอขอให้หนีจากที่นี่ซะถ้าไม่หนีเราจะเอาดาบเล่มนี้ตัดคอเลยว่ากันท่านว่าแล้วก็หายไปอ่าทางกลัวในเหลือเหลือร้นในบริเี้ จนเกือบจะหายใจไม่ออกแต่ว่าเอาจเจริญเมตตาเข้าไปวันนี้น ะ, จะเจริญเมตตาสักครู่หนึ่งเสือใหญ่มาเอาข้างมาถูเสาระนันไหวหยุดหยุดๆยุดอยูย่ตอนนี้ยิ่งยิ่งกลัวใหญ่เลยแทบจะหายใจไม่ออก <c oughs> ก็นึกภาวนาจเจริญเมตตา สเพสตาสุกิธาหุนตกสเพสตาอเวราหุนตกอยู่อย่างนั้นเอางั้นสักครู่หนึ่งเสือนั่นก็หายไปอืมมันเป็นอนวันนิมิตนั่นก็เป็นหายไปหมดแล้ววันนี้แต่ความกลัวไม่หายรุ่งเช้ามาไะวินทบาทด้วยกันท่านก็พูดได้ฟังว่าพูดเรื่องนิมิตต่างๆนั่นนะให้ฟังคอมเห็นจะอยู่ไม่ได้เรกเพราะงั้น ถ้าขืนอยู่นี่เห็นจะมีอันตรายคนว่อาอ้าวทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็ท่านภาวนาผิดทางเขาก็ยังบอกอยู่แล้วในเจ้าที่นั่นว่าท่านเดินผิดทางเมื่อลองงดภาวนาเจริญคาถาอาคมเหล่านั้นเสียแล้วมาบริกรรมแต่พุทโธพุทโธเท่านี้แล้วไม่มีหรอกผมรับรองว่าไม่มีอะไรผมภาวนาอยู่นี่ ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ใจสงบสบายอยู่งั้นเอาเถอดท่านอย่าไปวั่นไหวเลยอันนั้นให้ถือว่ามันเป็นความหลงผิดไปชั่วขณะนึงแล้วเรามาตั้งใจภาวนาพุทโธเสร็จแล้วเรื่องเลนั้นผมว่าไม่มีหายไปหมดอยู่งั้นจะทำยังไงเพื่อนก็ไม่ยอมจะกลับเข้าวัดบ้านอยู่ลูกเดียว ก็ไม่รู้จะทําในคนใหญ่แล้วอากลับก็กลับแต่ผมนี่ไม่ยอมกลับเป็นยังไงก็เป็นอยู่กับป่านี่นะผมอ่ะผมจะไม่ยอมกลับไปวัดว่านให้ขายขี้หน้าอีกเลยวันเดี๋ยวข้าชาบ้าเขายู่หัวเราะมันขั้นแล้วไปเป็นได้ว่าาฉันแล้วเพิ่งก็กลับเข้าวัดบ้านเอยู่ได้พรรษาหนึ่งผมก็ซึกไปเท่า น, นั้นเลยอ่าเรื่องมันแอ่เราภาวนาไปมาอยู่ก็มี ครูบาอาจารย์มาเข้ากอดอุ่นใจในภาวนาไปในที่สุดก็เลยได้ไปบวชเป็นธรรมยุทธ์วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีมีเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชาอ่า น, น, นแล้วมีอาจารย์บุญมาเป็นผู้นำไปบวช มวดเสร็จแล้วก็กลับไปอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายท่านก็ถามบอกว่าคุณจะเรียนหรือคนจะปฏิบัติงนั้นผมเอาทั้งสองอย่างเรียนก็เรียนปฏิบัติก็ปฏิบัติผมไปอยู่ป่าผมจะเอาตำราไปด้วยผมจะไปดูตำราดูตำร า, ายู่ในป่าเมื่อ เหนื่อยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ดูตำราให้รู้จักทรรู้จักวินัยให้ละเอียดแล้วออเข้าไปว่างั้นอาจารย์ก็เห็นดีด้วยอา้าวดีแล้วถัดอย่างนั้นเอาเลยดำเนินแบบนั้นแหละทีแรกดูตำราตำรา ไปบ้างภาวนาไปบ้างมาดีในพันษาหนึ่งร่วงไปแล้วพันษาสองเข้ามาเมื่อเกิดเป็นโรคอันบุคคลซึ่งไม่เป็นเราเป็นคนเดียวโรคที่ว่าฉันพระตาหารแล้วไปทาตไม่ย่อยตลอดทั้งวันทั้งคืน แน่นท่องอยู่ยงั้นได้สเสวยทุกขเวทนาเหลือรนอแต่ก็อดทนไม่ถอยเดินธุดงกเดินไปอย่างนั้นเลยไม่ถอยอแน่นท้องกันแน่นไปเวทนากัเวทนาไปสู้ทนกันอยู่ยงั้นสามปีตั้งแต่เป็นอยู่ยงั้นนะปีที่สามนี่ นั่งภาวนาอยู่ดูถ้ากรรมเวรมันจะหมดลงนะมันจึงบอกขึ้นในจิตนี่ว่าเอาอก็รรมเวรที่เอาแมวไปปล่อยในป่านั่นแล้ววนะ่างั้นพอนึกทบทวนคืนหลังดูอ้จริงเนี่ยเราได้เอาแมวผู้ตัวหนึ่งไปปล่อยในป่าเนื่องจากว่ามันเป็นเวรอะไรกันมาแต่าชาติก่อนก็ไม่รู้กลางคืนมาไปเที่ยว แมวผู่ตัว น, นั้นก็ไปถ่ายอุจาระใส่ข้างหมอนเลยวันเดียวออืไปเที่ยวกลับมาต้องวชําระขี้แมวซะก่อนไม่ใช่แต่คืนเดียวเนียเกือบอยากทุกคืนเลยอ่ะเอ๊ะแมวตัวนี้กับเราเป็นเวรอะไรกันเน้อฮะ น, นี่เนาะถ้าเราจะฆ่ามันนี่มันไม่ไหวเรามันต้องเป็นกรรมเป็นเวร น, นักเข้าไปอีกว่างั้นอย่าไปฆ่ามันเลย เอามันไปปล่อยในป่านะั้นให้มันหากินเองมันวนะงั้นก็เลยอุ้มไปในป่านะั้นเอาไปปล่อยมาเห็นไม้ต้นหนึ่งมันเป็นโพรงอยู่ก็เลยเอาปล่อยเข้าไปในโพรงมึงอยู่นี่นะว่างั้นเนะี่ยแล้วก็ไปเลี้ยงควายกลับมาตอนเย็นยังเห็นร้องเง้วงเงี้ยวเลอยสงสารมันก็สงสารท่นี่แต่ไม่รู้ว่าทนายถ้าเอามันกลับคืนไปบ้านมันก็จะไปขี้ใส่หัวนอนอีก เอานะมันคงไม่ตายหรอกมันจะต้องหากินมันละว่างั้นหรอสัตว์มันใหญ่แล้วว่างั้นหอกมันจะต้องหาเลี้ยงมันได้หรอกป่านนันนะเพียงแด้เอาไปปล่อยไม่ได้ฆ่านะกรรมเวรมันยังตามสนองอนะ่ะได้รับทุกทรมานอยู่ตั้งสามปีมันจึงหมดลงเนอะเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็ภาวนาทีใดก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แม่ตัวนั้น เลื่อยไปอันโรคแน่นท้องอันนั้นมันก็เบาลงเบาลงในสุขหายเป็นปกติอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อันหนึง่งซึ่งมาทบทวนดูแล้วแม้เรานี้มันอดทนเอาซะจริงๆถ้าว่าความอดทนไม่เพียงพอเนี่อาจจะศึกหาราเพศไปแล้วนะอ่าไปแล้ว แต่อันนี้ไม่นะอ้าวตายก็ตายเป็นก็เป็นเกิดมาแล้วต้องตายแต่ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมมีเวรก็ต้องเสเวยผลแห่งกรรมเวรไปแมสึกออกไปมันก็ไม่พ้นดอกเวรถ้ากระทำกรรมเวรอันไม่ดีไม่งามมาแต่ก่อนแล้วจะไปที่นันจะเป็นเพศอะไรมันก็ไม่พ้นถึงเวลามันต้องให้ผลแน่นอนอเช่นนี้แล้วก็ อดทนสู้ไปอย่างว่านั่นแหละในที่สุดก็มันก็หมดกำหมดเรีนไปเองอันนี้เนี่ยแ้วก็ได้โอกาสตั้งแต่นั้นมาก็บภาวนาปลอดปวง ร, ร่างกายมันเป็นปกติดีนะตั้งใจประกอบความเพียรมนีเดินทูดองไปเรียบฝังไม่ต้องโขงกันไปไป าเอาซาบ้านหนึ่งไอ้แม่น้ำคงเหนือขึ้นไปโน่นน่ะตีนภูเขามันจดแม่น้าคงเลยมีเครือขัดสองคนไปด้วยไปไปถึงแล้วก็ไปถึงบ้านนั่นก็ไปขอร้องให้ญาติโยมบ้านนั่นไปหาที่พักให้ด้วยเขาก็พาเดินเลียบตีนเขาไปไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นพุ่มอยู่แล้วก็เอานี่ละว่า เขาก็ไปทําความสะอาดอะไรใ ห, ให้ทำทางกยมให้แล้วพอส่วนกะิหอัดสองคนนั้นเขากลัวเขาไม่มานอนด้วยแล้วเขาก็นอนในบ้านนู่นใอ้เราคนอยู่คนเดียวเขาเลิกไปแล้วเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มานั่งภาวนาเข้าไปนั่งภาวนาประมาณจากสี่ห้าทุ่มนี่ก่ะ จำวัดนอนตะแคงข้างขวาลงไปเพ่งสำรวมจิตแน่วแน่นอยู่ภายในจิตกระพองใสอยู่พอเคริ้มนี่แหละเคลิมมาจะหลับนี่เสียงดังเหมือนฟ้าผ่านี่เปรี้ยงลงมาตรงไม้ต้นนั้นเองเนี่ยแล้วจิตไม่สะดุ้งเลยนี่สังเกตูจิตจิตเป็นปกติอยู่ อ้าวฟผ่ า, า, าแล้วมั้นงนี่ว่าไงนะก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาเนี่ยนั่งภาวนาฟังดูมันจะมีเรื่องอะไรหนอเหมัอ น, นพอนั่งไปนั่งมานึกถึงเสือที่วันนี้นะเอออัดผีเลยมันไม่กลัวนะแตกจริงๆะไม่นึกถึงผีหรอกนึกถึงเสือเฮ้ยรูว่าเสือใหญ่มาเรื่อไงหนอเหมัอนพอนึกทีมันความกลัวเอาแล้ว กุ้มหมดเลยฮอา้าได้สติระลึกได้มาดิอ้าเราเสียสละชีวิตต่อพระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมาใ่หรือจึงมาอยู่นี่จึงมาอยู่ป่าอยู่เขาอย่างนี้นะถ้าเราไม่เสียสละชีวิตต่อพระธนากรายอย่างนี้เราก็ไม่มาถ้าหาว่าคุณวรัธนากรายนี้รักษาชีวิตเราไม่ได้แล้วก็เป็นกรรมเวนของเรากเอา้า อะไรจะเอาไปกินก็เอาซะพอนึกได้เนะความกลัวมันก็คลายออกหายไปหายไปหน่อยหนึ่งมันเอากุ้มเข้ามาอีกแล้วไอ้เรื่องเสือของเก่านะั่ะนะฮะอุบายเตือนใจตัวเองเข้าไปอย่างว่าเอาความกลัวก็หายออกไปเป็นอยู่อย่างนั้นจะออกไปเดินยุคมก็ไม่ไม่กล้าออกไปกลัวว่าเสือมันดักอยู่ได้แล้วมันจะ แต่คุกอวไกินตายอยู่กับกดนี่ละมุกงนี่ละอ่ อ, อกนก็นั่งภาวนาอยู่เหนื่อยนั่งสมาธิแล้วก็เหยียดขาออกไปอเอเหยียดขาออกไปพอหายปวดแข้งปวดขาแล้วก็นั่งภาวนาวันนี้ก็ดึกมาดึกมามันก็ง่วงสิวันนี้มันเอา้านอนมันแล้ววะกินก็กินอ่ะอันนี้กินก็กินอ่ะเรามอบ กาถวายชีวิตต่อคุณแก้วสามประการ น, นั้นแหละว่างั้นก็นอนลงไปนอนลงไปแต่พอเพิ่มนี่แหละมันก็รู้สึกขึ้นมาเลยเอา้าไม่ดีนะ่ะถ้าเสือมาเอาไปกินเวลานอนหลับนั้นเมันไม่มีสตินะันไม่ดีเล้ว่างันลุกขึ้นนั่งภาวนาเอาแาวนมาก็สว่างเลยคืนนั่นแทบไม่ได้หลับเลยเพราะไอ้ตอน ที่ชาวบ้านเขามาทำที่พางไกรนั้นถ้าเขากันยังบอกแล้วว่าท่านมาอยู่อย่างนี้ท่านไม่กลัวหรือว่างั้นกลัวอะไรบ่เอา้านี่เป็นทางเสือนะเสือมาเอาหมูเอาไก่ของพวกผมไปกินอยู่บ่อยๆ อ, อยู่ว่างั้นนะเอะแต่ก่อนเป็นทางเสือบัด น, นี้เป็นทางของเรานะเอาอะมาเป็นไรนอกเราจะอยู่ที่นี่ละป่ะลูกชายมาญาติโยมก็มาถวายพระตาหาร เขาก็มาถามกันดีเลยเป็นไงท่านเมื่อคืนนี้เป็นไงอะไรมาลบ ก, กวนบ้างเราก็ไม่บอกเขาออืไม่มีอะไรเราโยมเป็นปกติอยู่ไม่มีอะไรแล้วก็ทำเป็นทองเวรู้ร้อนอะไรเลยแหละแต่ เ, เขามาก็เทศแนะนําสั่งสอนเขาให้พรเขาแล้ว เ, เขาก็ไปเราฉันเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อ อันนี้เรียกว่าการ ท, ที่เที่ยวทุ่งดงไปได้ประสบกับไฮ่ังๆเหล่านี้นยลยนะว่าเป็นเครื่องมาส่งเสริมกำลังใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ไม่กลัวไม่ไม่กล้าเรียกว่าแล้วก็นึ ก, กว่าเออดีเหมือนกันท่านเป็นอย่างนี้นี่ มันจะได้เพิ่มกำลังใจเข้มแข็งขึ้ น, นอีกคราวหนึ่งนี่ก็ชาวบ้านเขาไปทำไรในป่านุน่นแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็เข้าบ้านห้างที่เขาผูกไว้ก็ยังอยู่ก็ไปกลางกดใส่ห้างเขานั้นแล้วก็นั่งภาวนาแบบนี้ ปฏิบัติจากนั้นตื่นเช้ามาก็ไปบินทบาทในบ้านพอเนี่ก็มีเน้นวัดบ้านมาขออยู่ด้วยเอาขออยู่มันมีห้างไล่เขา อ, อยู่สองห้างขอนั่งภาวนาอยู่เพลนหนึ่งพระจันทร์ขึ้นสู่ทองฟ้าแล้วก็พอสโลวยๆมันมีเมฆบางนั่งภาวนาอยู่แล้วก็ลมพัดที่เอือ่อยเอยเอือเอ่อยเอยมาก อ้าวิดมันนึกแล้วเออโบราณท่านว่าเมื่อเสือใหญ่มันจะไปทางไหนนี่ลมมันไปก่อนนะว่างั้นนะอ้าพอนึกอย่างนี้ความกลัวเอาแล้วันนี้กุ้มในใจเลยวันนี้ในใววนนโธเอาเอานะพุทโธเข้าไปเรื่อยๆเราขอมอบไปถวายชีวิตต่ตอคุณแก้วสามประการอา้าวจะอะไรจะเอามากินก็เอาไปสร้าร่างกายเนี้เราไม่ถือว่าเป็นของของเรา ภาวนาอยู่พอนึกได้อย่างนี้ก็โองโกงก็หายไปคลายออกไปสักหน่อยหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังข่าวอยู่ที่นกิ่งไม้อยู่ใกล้ ก, กับห้างนั้นเลยโอ้โหล้วกันเสือมันกระโดดขึ้นกิ่งไม้นั้นแล้วฮานีวะมันยิ่งกลัวใหญ่กลัวใหญ่กับภาวนาพุทโธเข้าไปเรื่อยๆ สเปสตาสุขิตาหุนตุสเปสตาอเวราหุนตุอันนี้ก็เอาเข้าไปดับภาวนาเมตตาพอสัตว์ทั้งหลายยังเป็นสุขเป็นสุขอย่ามีเวรต่อกันเลยกันเลยทั้งทางไอ้ว่าเป็นคําอัดด้วยว่าเป็นคําแปลด้วยวันนี้อา้าพอภาวนาไปเน่นความกลมกระหายไปหายไปคู่หนึ่ ง, สงเสียงดังข่าเข้าที่ฟ้าปวนห้างอันที่อยู่นั้น เพราะไม่มีไม่มีฝากันเลยรง่รงร่งกลางกดใส่กลางนั่นเองว่าก็พอเสียงดังขาดในฝากนั้นแล้วมันก็เต้นไปรอบรอบมุ้งลืมตาขึ้นดูละโอ้ยมันเจ้าบางแบบนี้ม่นบางอโอ้ตายาเราเนี่มันกลัวแทบ ล, ล, ลมหายใจหยุด นึ ก, ก็เป็นเสือมันบางแท้ๆว่าไงก็เลยสอดเอามือสอดออกไปจา ก, จากตีนมุ้งเอาตอบฟากนั้นตั้งท่นี้มันก็บินไปลองอ้ อ, ออ้ออยู่ต้นไม้นู่นโหอ่ะครานี้ก็หายกลัวหายกลัวก็ น, นั่งภาวนาต่อเอาจนว่าใจรวมลงได้แล้วจึงค่อยนอนหลับไปได้ อันนี้เรียกว่าไม่มีใครบังคับมัน้พอใจพอใจไปหาที่สงบสงัดอย่างนั้นเออมันจะนึกว่าจะมีภัยอะไรมาก็ไม่ก็ไม่กลัวตายก็ตายถ้าบุญไม่มีบุญหมดแล้วก็ตายแหละคนเราถ้าบุญยังมีอยู่บุญก็รักษาย่อมปลอดภัยเรามันเชื่อมั่นในบุญกุศลเชื่อมั่นในคุณวรรตนากายอย่างนี้ อันนี้เป็นเหตุให้บุกป่ า, า่าดงเข้าไปผู้เรียวก็อยู่เป็นแช่นั้นการบวชมาในศาสนานี้เรามานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์สละราชสมบัติออกบวชไปแล้วพระองค์ก็ไปอยู่แต่ป่าสเสวงหาทางตัดสรู้อยู่ถึงหกปี ด้วยบุญญาณุภาพที่พระองค์ได้สั่งสมอตมม่ก่อนชีวิตของพระองค์ก็ไม่มีภัยอันตรายใดๆเลยแต่อย่างนั้นดังนั้นพุทธบริษัทควรจะพากันพิจรารณาโดยรวมใจความแล้วว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นอยู่ด้วยบุญด้วยบาปดังที่เคยเทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละ ถ้าเรามีบุญมากพอสมควรติดตามมาเกิดในโลกนี้แล้วบุญก็ตามรักษาชีวิตนี้ให้ตลอดปลอดภัยไม่มีภัยพิบัติอันตรายอะไรเกิดขึ้นถ้าเว้นเสียแต่บาปกรรมก็ติดตามมาด้วยอย่างนี้นะเมือ่อบาปกรรมแล้วมันได้โอกาสเวลาใดมันให้ผลเวลานั้นชีวิตนี้ก็ย่อมถึงความวิบัติโดยประการต่างๆ จนกว่ามันจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นลงไปมันจึงจะหายอันนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ควรที่จะหวาดกลัวอะไรต่ออะไรมากมายนะบางคนก็กลัวผีบางคนก็ก ล, น ก, กลัวเสืออ่าบางคนก็กลัวโจรขโมยจะมาจี้มาฆ่าอะไรกลัวช้างกลัวเสือสารภาพแหละของกลัวของคนเรานะ อที่มันกลัวอยู่ยนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นนั่นเลถ้าผูใ้ใดเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นนะี่เราก็ฝากชีวิตด้วยกับบุญกับกรรมอย่างนั้นเรานึกแล้ ว, ว่าไม่มีอะไรป้องกันได้เลยจะมีสมมติว่าทะเลาะเราจะมีปืน ติดตัวไปไปไหนต่อไหนก็ตามนะถ้ากรำรเวรมันมาถึงแล้วนะั้นปืนมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยเผลอไปแล้วเขาก็ยิงตัวเองก่อนถ้าตัวเองไม่ทันได้ตอบโต้เขาตัวเองก็ตายก่อนกรำ ม, มันปิดบังไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่มีก ร, รมมีเวรมาจากก่อนนน้นหลังแล้วไปไหนมาไหนไม่มีอาวุธ รุธภันอะไรติดตัวอะไรก็ไม่มีภัยอันตรายใ ด, ดๆประกอบในปัจจุบันนี่ก็เป็นผู้รักษาศีลหายบริสุทธิ์จะรักษากายวาจาของตนเสมอเสมอไปเมื่อเข้าสังคมใดๆก็ระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้กระทบกระทั่งคนอื่นเจ็บอกเจ็บใจอะไรทั้งอย่างนี้แล้วไม่มีเวรภัยทั้งหลายศัตรูไม่มีเลย ประกอบกับภาวนาเจริญเมตตาเรื่อยๆไปอย่างที่ว่านี่แหละแล้วเวรภัยทั้งหลายย่อมไม่มากั้มกายแก่ชีวิตของผู้ที่มีคุณธรรมมีศีลอยู่ในกายวาจาใจของตนอันในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แหละศาสนาอื่นเขาไม่มีได้ทำบุญแบบพุทธศาสนาไม่มีอ่ะ มีแต่เขาเรียลายกันเอาบ่มลุงสุเหลาเขาเท่านั้นแหละใครไปกราบไปไหว้เขาก็เรียรายเอาเอารวบรวมเงินไว้สาหรับบํารุงสุเหลาเท่านั้นเองนะมีแต่ในพุ ท, ทธศาสนานี่นนาานนแหละมีการทำบุญทาทานกันมีการกราบการไหว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วว่ามันจิตดวงเดียวเท่า น, นี้เป็นเหตุอยู่เนี่ย เหตุตรงนี้ไม่รู้แล้วมันก็ถึงวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายระหว่างที่ยังไม่ทันตายในกฎทนทุกข์แสวงหาอะไรเทะ่าะไรมาเลี่ยงฝากเลี่ยงท้องอันนี้แสนยากแสนลำบากจริงๆนี่ควรพากามพิจารณาให้มันเห็นนั่นแหละแล้วความทุกข์ทั้งหลายแด่เรานี้ยนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะไปอาศัยสิ่งอื่นช่วยนั้นไม่มีทางค้นไปได้ มีแต่บุญกุศลเท่านี้เองเออดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนเราทำบุญนั่นน่ะเรื่องมานะ่ะขอให้เข้าใจความหมายมันแน่ชัดคงไว้อย่างนี้แล้บุญนี้จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดับไปอย่างนี้นะพ้นทุกข์จากมนุษย์ก็เป็นเป็นเทวดาอ่นั่นะพ้นทุกข์จากเทวดาก็มาเกิดในโลกนี้ พ, พบพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดองหนึ่ง ได้ฟังทำคํำสองพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถปฏิบัติไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้อสัตว์โลกทั้งหลายส่วนมากนะมาบรรลุมรรคผลนิพพานในธมภูวติเนี่ยในพื้นแผ่นดินอันนี้แหละในรูปร่างอันเป็นคนนี่เองนะไม่ใช่รูปร่างอื่นนะขอให้เข้าใจไอ้พวกเทวดานั้นยกไปอันนั้นเพื่อนมีบุญหลายแล้วพระพุทธเจ้าแสดงพระวิธรรมจบลงกัร ห, หนึ่งนึงนี้ มันว่าขนเป็นโกดท่านเหล่านั้นมีบุญมากแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้สามสำเร็จปักขนได้รวดเร็วเหลือเกินไอ้พวกเราถ้าขุดขนอารมตนไปอย่างนี้นะไม่ท้อไม่ถอยแล้วกิเลสมันก็เบาบางไปวันนี้เผื่อว่าตายลงแล้วไปสู่สวรรค์เช่นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ในพระองค์หนึ่งมาสแสดงพระอภิธรรมใดฟังพระอภิธรรมคาสอนอันลึกซึ้ง ก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้บรรลุผลนิพพานได้อเป็นอย่างนั้นเนี่ชีวิตของคนเรานะคอยเข้าใจไอ้พวกที่นับถือและที่อื่นนั้นไม่มีทางหรอที่จะได้พบพระพุทธเจ้าหรือแม้ได้พบแล้วเขาก็ไม่เดือมใสอย่างพวกเบลถีในครั้งพระพุทธเจ้านะั้นถึงเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าแต่เขาก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็นับถือละที่ของเขานเะนี่ยไปอย่างนั้น พระพอง์พยายามพยายามหาโอกาสติดต่อสังคมสนิทส น, นมกับเขาแต่บางพวกก็ได้ผลผู้มีบุญวาสนาเรียงกล้าก็รู้ทัวได้กลับทัวได้มานับถือวิสาทนาปฏิบัติไปก็สำเร็จมากผลได้ตามวาสนาบา ร, รมีของตนเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพวกเรานั้นเลวละความหลงเห็นผิดต่างๆดังกล่าวมานี้ได้แล้ว เรามอบขายขอบคายถวายชีวิตปูชาคุณแก้วสามประการนี่โดยส่วนเดียวไม่เป็นหนึ่งไม่มีสองเลยก็ขอให้ทำใจอย่างนั้นเพราะว่าลัทธิต่างๆในโลกมียเยอะแยะถ้าเขาจ้างคนใดนี่แหละเป็นตัวแทนโคดสนาชวนเชื่อทางสังนานามูนี้นะมีท้อไปถว่ยเพราะนั้นให้พากันระวังตัวไว้อย่าไปหลงคารมของลัทธิอื่น รัที่อื่นนะไม่เป็นทางคนทุกเลยไม่เป็นทางคนทุกจริงๆเช่นอย่างว่ารัติโยเลยอะไรอย่างนี้ไอ้ผู้ที่เข้ามาเผยแผ่ยอยู่นั้นก็รู้แต่มีกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในจิตใจอยังบริโภคการมคุณอยู่เหมือนกับคนทั่ทวไปแล้วอย่างนี้จะเป็นผู้วิเศษได้ยังไงอ่ะผู้วิเศษทั้งหลายท่านรักกิเลสขาดจากสันดานแล้วทำตัวเป็นคนผู้เดียวนุ่หผมผ้าสีเดียว อย่างาพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์สา ว, วกเนีน่ท่านก็มีความประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่เหมือนกันงงกันอันเดียวกันแล้วก็นุ่งผ้าสีเดียวกันเลยไม่หลายสีนี่แหละท่านพูดสิ้นอาสวะกิเลสท่านผู้มีบุญญาบา ร, รมีแข่กล้านะ อ, อไม่ว่าใครนะถ้าสร้างบุญบา ร, รมีไปไปแล้วหากวันบุญบา ร, รมีเต็มแล้ว ก็จะได้ออกบวชถือผ้ า, ากาลสาวพัดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนั่นเองถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นานางวิสุณีอย่างนี้ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะว่าผู้หญิงนะ่ะถ้าพูดแล้วก็ดูสมัยปัจจุบันนี้เนาะผู้เข้าวัดผู้ฟังธรรมจำสินผู้สนใจทางการฝึกฝนอารมณ์จิตใจ่มีแต่ผู้หญิงไปส่วนมากผู้ชายมีน้อยเสืมที ดังนั้นเมื่อผู้หญิงอยากบวชก็องค์เจ้าก็จึงบวชให้เป็นนามพิทุณีแต่ว่านามพิทุณีจะอยู่ไม่นานเนื่องจากว่านิสัยผู้หญิงนั้นมันนิสัยอ่อนน้อมไปง่ายแล้วก็มกกักจะมีเรื่องวุ่นวายอยู่ไวไวบ่อยๆพระพุทธเจ้าวัน ญ, ญา้ที่ข่าบวถึงสามร้อยัวข้อ บังคับกายวาจาไว้แล้วปรากฏ ว, ว่าตอนที่พระ อ, องค์เสด็จปรินิพพานนี้ไม่ปรากฏ ว, ว่ามีนางวิสุทธิไปชมนมที่เมืองโพเสนาา น, นั่นเลยไม่มีเลยในตําราไม่ไม่กล่าวไว้เลยเข้าใจว่านางวิสุทธิ์หมดก่อนพระ อ, องค์ปรินิพพานแนวเเป็นอย่งนั้นดังนั้นผูใ้ใดมีบุญวัสนาแดงกล้าชิงๆิจึงได้บวชเป็นนางวิสุทธิ์นะ เพราะฉะนั้นอย่างพวกเราปฏิบัติอยู่เนี่ยอริสง์อัน น, น, นี้มันก็จะได้ให้เป็นนักบวชนั่นแหละในอนาคตเบื้องหน้าต่อไปหากบุญบา ร, รมีแก่กล้าเต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วก็จะได้ออกบวชในสำนักพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งต่อไปแล้วก็จะทําอัศวกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เข้าสู่พระนิพพานหมดทุกหมดยากในสงสารต่อไป ยะาวริวาฮาปูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตดินนางเตตานางมุภะกปฏีเิชีตังวิธีตังโทมังที่พะเมวสมิเตตุสเะปูเรนตุสังกะปาจันโทปนราโสยะามณีโชติราโสยะธาสพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสสตูมา เจพวัตรันตรายโยสุขีทิคายุโกภวาอภิวาทนาสิริธานิจังวุทาปิจายโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังวะลัง